ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นระลึกถึงความจริงเหล่านี้เพื่อที่จะให้เราไม่ลืมกันเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าร่างกายของเราเราพึ่งพาอาศัยไปได้ไม่ตลอดเราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกาย และสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขดับความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้อย่างตลอดจะต้องมีวันที่เราจะไม่สามารถใช้ร่างกายใช้สิ่งต่างๆมาดับความทุกข์มาสร้างความสุข ให้กับเราได้ถ้าเรามันระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆ เ, mm hmm. เราจะได้คิดหาวิธีหาความสุขวิธีดับความทุกข์แบบใหม่กันนั่นเอง mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธี ดับความทุกข์วิธีหาความสุขแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแบบที่ไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาดับความทุกข์มาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายของเรานี้ต่อไปมันจะไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้พระพุทธเจ้าเลยส่งค้นพบวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับเราด้วยวิธีใหม่คือให้มาหาความสุขมาดับความทุกข์ด้วยใจของเราจะดีกว่าคือการทำใจให้สงบนั่นเอง ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเลยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำอย่างความสงบได้ และความสงบนี่จะเป็นความสุขที่ถาวรพอใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีวันตายนั่นเองและใจไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนเวลาที่จะต้องมีการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆ ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอันนี้คือความหมายหรือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้พวกเรามันนระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายระลึกถึงการพลาดพาคจากกาันให้ไม่ให้ลืมเพราะถ้าลืมเราก็จะ ยึดร่างกายยึดสิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือดับความทุกข์เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วพอไปเจอวันที่เราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายใช้สิ่งต่างๆมาดับความทุกข์มาให้ความสุขกับเราได้เราก็จะเดือดร้อนกัน เราจึงต้องคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนวิธีดับความทุกข์เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาวิธีดับความทุกข์ที่ถาวรมาหาวิธีสร้างความสุขที่ถาวร จะดีกว่าเพราะมีวิธีที่ดีกว่าที่เรากำลังใช้กันอยู่ในขณะนี้นั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าเราไม่คิดอยู่ไม่คอยเตือนใจเราสอนใจเราอยู่เราก็จะลืมแล้วเราก็จะใช้ร่างกายใช้สิ่งต่างๆ มาดับความทุกข์มาสร้างความสุขให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเราจะไดะ้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเปลี่ยนวิธีดับความทุกข์กันด้วยการเข้าหาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พระพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่รู้จักวิธีใหม่นี้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขด้วยจิตใจมีแต่รู้จักวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขด้วยการใช้ร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาดับความทุกข์มาสร้างความสุขกันจะรู้จักวิธี หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันที่ต้องใช้ร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพอเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถดับความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจได้ เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะเป็นบุคคลที่รู้จากวิธีหาความสุขแบบใหม่หาความสุขทางใจหาความสุขจากการทําใจให้สมบกนี่คือทําไมเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอน เชื่อพระ อ, อริยสงสาวกเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่จะสามารถสอนให้เราทำใจของเราให้สงบให้มีความสุขระดับความทุกข์ต่างๆได้หมดไปได้ได้อย่างหมดสิ้นไปเราจึงต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดี ศึกษาจากพระธรรมคำสอนกด็ดีศึกษาจากพระ อ, อริยสงสาวกด็ดีทางใดทางหนึ่งได้เหมือนกันตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านได้จากพวกเราไปนานแล้วแต่ก่อนตอนที่ท่านจะจากพวกเราไปท่านก็ยังย้ำสอนพวกเราเตือนพวกเราว่า พวกเราจะไม่ได้อยู่ปาสะจาพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ปาสะจาศาสดาเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้และได้มีการจดจําและบันทึกไว้ในสื่อต่างๆนี้ยังเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าเรามีพระธรรมคำสอน ก็เท่ากับว่าเรามีพระพุทธเจ้าดังนั้นถึงแม้เราจะไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันมีผู้ที่เคารพนับถือเช่นพระสงฆ์องค์เจ้ามาจดจำกัน การจดจำการท่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำใจให้สงบด้วยนอกจากจะให้ความรู้วิธีดับความทุกข์กับสร้างความสุขด้วยใจแล้วยังจะทำให้ใจนั้นสงบเพราะใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวทาง ร่างกายทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงราบยศสรรเสริญไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะทําให้เราเกิดความอยากที่จะไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันะ แล้วเราก็จะติดอยู่กับกองทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่การที่เรามีพระธรรมคำสอนที่พระสงค์องค์เจ้าในสมัยพระพุทธการใช้เป็นเครื่องมือฝึกจิตให้มีความสงบด้วยการมันระลึกถึงคำสอน ถึงพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้จึงได้เกิดประโยชน์สองประการประโยชน์จากผู้ที่สวดผู้ที่ท่องจําทําให้ใจสงบทําให้ใจมีความรู้วิธีที่จะดับความทุกข์และทําให้รักษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ เราจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนถ้าเราอยากจะหาพระพุทธเจ้าขอให้เราเข้าหาพระธรรมคำสอนเถิดไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียถ้าเราไม่มีเงินที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อไปกราบสังเวชนียสถานสี่คือที่ประสูติที่ตัสโร ที่แสดงรรมคขั้งแรกและที่เสด็จดับขันธ์บรลานิพานเราก็ยังสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ประเทศอินเดียด้วยการเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าถึงพระธรรมคำสอนเราก็จะเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตคือชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เวลาที่กล่าวถึงตัวพระองค์พระองค์จะกล่าวว่าตถาคตเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรม และจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าการไปที่ประเทศอินเดียเพราะการไปประเทศอินเดียเราจะไม่ได้เห็นตถาคตเราจะเห็นแต่สถานที่ที่ตถาคตเคยประทับอยู่เท่านั้นแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงคําสอนได้ยังไม่มีเวลา ที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีปัจจัยเงินทองที่จะพาให้ไปที่สังเวชนีย ส, ส, ยสถานทั้งสี่ได้ก็ไปก็ดีไปเพื่อที่จะได้มีความมั่นใจแน่ใจว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายที่แต่งกันขึ้นมามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วได้มีบุคคลอันประเสริฐปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ในรูปแบบของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่ได้เสด็จออกบวชหลังจากที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวช นี่เรียกว่าเห็นเทวทูตสี่ทาให้พระองค์ตื่นจากความหลงที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือดับความทุกข์หาความสุขทําให้พระองค์รู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่พึ่งไปไม่ได้ตลอดจะต้องมีวันที่ไม่สามารถพึ่งร่างกาย ในการดับความทุกข์สร้างความสุขได้จึงทรงออกบวชเพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์ทางใจด้วยการทำใจให้สงบและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติอยู่6ปีก็ทรงค้นพบวิธีที่จะดับความทุก สร้างความสุขให้กับใจทางใจได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือดับความทุกข์และสร้างความสุขและความสุขที่เราใช้ร่างกายความดับทุกข์ที่เราใช้ร่างกา ย, า ก, าา ก, ายก็เป็นความดับทุกข์เป็นการสร้างความสุขชัว่วคราวเท่านั้น ดับได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ความสุขที่ได้ก็ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปการดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบนี้จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรเราสามารถสร้างความสุขได้อย่างถาวร อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราไปที่สังเวชนียสถานสี่เราจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้เรียนประวัติของพระพุทธเจ้าได้เห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญได้พำนักอยู่ได้ไปเห็นที่ประสูติที่เกิดได้ไปเห็นที่ทรงตัดสรู้ใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือนหก ได้เห็นที่พระ อ, องค์ทรงสแสดงพระธรรมคำสอนครั้งแรกให้แก่ชาวโลกและได้เห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ลาจากพวกเราไปด้วยการะละขันการตายของพระพุทธเจ้านี้เราจะใช้คำว่าปรินิพานความหมายก็คือตาย เรามักจะไม่ชอบใช้ความคำว่าตายให้กับบุคคลต่างๆที่เราเคารพนับถือเรามักจะมีสรรพนามแทนคำว่าตายเช่นพระเจ้าแผ่นดินตายเราก็บอกว่าสวรรค์คตถ้าพระตายก็เรียกว่ามรณภาพและบุคคลสำคัญตายเช่นนายกรัฐมนตรีเราก็เรียกว่าอาสัญกรรมถ้าพระอาหารหันต เราก็เรียกว่านิพพานถ้าพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าปรินิพพานแต่ความหมายก็คือตายนั่นเองคือร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนร่างกายของพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพาน คามจริงพระพุทธเจ้าไปถึงนิพพานตั้งแต่วันที่ตัดสรู้อยู่โคนต้นโพแล้วในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีอายุสาสิบห้าปีพระพุทธเจ้าได้ถึงนิพพานแล้วคําว่าถึงนิพพานก็คือทําใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนั่นเองใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เราเรียกว่านิพพาน แต่ใจของพุทธเจ้าที่หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยังมีร่างกายไว้ดูแลอยู่ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ร่างกายเหมือนพวกเราใช้ร่างกายกันแต่เป้าหมายของการใช้ร่างกายนี้ต่างกันพวกเราใช้ร่างกายหาความสุขดับความทุกข์กัน แต่พระพุทธเจ้าใช้ร่างกายเพื่อเผยแผ่ธรรมะคำสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราเพื่อพวกเราจะได้รู้จักวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรกันต่างกันตรงนี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสัูวแล้วนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรายัางใช้ร่างกายเพื่อดับความทุกข์ เวลาเราทุกเราก็ใช้ร่างกายไปเที่ยวกันไปเดิมไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราก็ได้ดับความทุกข์ชั่วคราวในขณะที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆแต่พอเรากลับมาที่บ้านกลับมาจากที่เราไปท่องเที่ยวกัน เราก็ยังต้องมาเจอความทุกข์อันเก่าอยู่ดีเพราะมันไม่ดับได้อย่างถาวรแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องใช้ร่างกายดับความทุกข์หาความสุขเหมือนพวกเราเพราะท่านใช้ความสงบดับความทุกข์สร้างความสุขท่านสามารถทำให้ใจสงบได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจึง ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเหมือนกับที่พวกเราใช้กันท่านจึงมีเวลาที่จะมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไฟจากจิตจากใจวันๆหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาไปกับการอบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะให้แก่พวกเราสัตว์โลก ตอนบ่ายก็ส่งสอนญาติโยมขารวะผู้ครองเรือนตอนค่ำก็สอนนักบวชภิกษุภิกษุณีสา ม, มนเณรตอนดึกก็สอนพวกเทวดาพวกกายทิพย์ทั้งหลายและตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบิณฑบาตก็ส่งเร่งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษ ใครพร้อมที่จะรับทำบรรลุธรรมได้ในวันนั้นและอาจจะมีความจำเป็นคือจะอาจจะต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอันใกล้ก็ส่งมุ่งไปสอนบุคคลนั้นก่อนเพราะถ้าเขาพร้อมที่จะบรรลุธรรมและจะต้องเสียชีวิตไปถ้าเขาไม่ได้รับคำสอน เขาก็จะเสียโอกาสอันประเสริฐอันที่หายากเพราะจากนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเขาตายไปก่อนเขาก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกนานจนกว่าจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ในพบกับพระธรรมคำสอนหรือพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถึงจะสามารถเรียนรู้วิธีทำให้เขาได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าจึงทรง เ, เล็งยานดูว่ามีใครบ้างที่อยู่ในกรณีนี้ที่จาเป็นที่จะต้องไปโปรดเป็นกรณีพิเศษก่อน องค์ก็จะส่งมุ่งไปสอนคนนั้นในวันนั้นและภารกิจข้อที่ห้าที่ทรงทำก็คือการโปรดสัตว์ด้วยการบินทบาทการบินทบาทของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นเหมือนขอทานขอทานนี้ก็ไปแต่ไปขออาหารแล้วแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับผู้ที่ ถวายให้อาหารแต่พระพุทธเจ้านี้โปรดสัตด้วยการไปบินถบาททำให้เขาได้รู้จักกับพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและถ้าเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสอนได้เขาก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือการโปรดสัตว์คือการไปให้เขาได้รู้จักได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงบ้านเขาเลยการบินบาตนี่ยพาไปถึงบ้านผ่านบ้านถ้ามีศรัทธาก็ใส่ถ้าใส่แล้วก็จะได้รู้จักแล้วถ้าอยากจะรู้อะไรก็สามารถที่จะไปสนทนา สอบถามหรือไปฟังเทศฟังธรรมได้เนื่องการบิณฑบาตของพระจึงไม่ได้เป็นการขอทานจะเป็นการโปรดสัตว์เป็นการที่จะทำให้มีการได้รู้จักมกคุ้นกันและจะทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ นคือเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสังเขปที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้ไปที่สังเวชนียสถานตั้งสเพราะถ้าเราอ่านเพียงแต่หนังสือ ก, ก็อาจยังไม่ประทับใจเหมือนกับเวลาที่เราได้ไปที่สถานที่นั้นเลยนังที่มีคําพูดอยู่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นได้ยินได้ฟังเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ยังสู้ไปเห็นกับตาเราเองไม่ได้ดังนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่ามีพระธรรมคาสอนจริงหรือเปล่ามีพระอริยสงสารวกจริงหรือเปล่าถ้าไปที่สังเวชนิเสยสถานทั้งสี่นี้ ก็อาจจะทำให้มีความเชื่อมั่นว่ามีจริงเมื่อมีจริงแล้วจะได้มีความยินดีที่จะศึกษาวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเกอวิธีดับทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรด้วยการใช้ลจิตใจเป็นเครื่องมือแทนที่จะใช้ร่างกาย จะใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ดับทุกข์ได้เพียงชั่วคราวที่สร้างความสุขได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนี่คือเรื่องของการที่เราต้องหมั่นพิจารณาความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้เราพึ่งพาอาศัยไป ไม่ได้ตลอดจะต้องมีวันที่เราจะต้องอพึ่งไม่ได้แล้วเมื่อพึ่งไม่ได้แล้วเราก็จะเดือดร้อนถ้าเรารู้เราจะได้ไปศึกษาวิธีใหม่วิธีที่จะสามารถมาดับความทุกข์ให้กับเราได้อย่างถาวรวิธีที่จะสร้างความสุข ให้แก่ใจของพวกเราได้อย่างถาวร น, นั่นก็คือวิธีการทำใจให้สงบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรานำเอาไปปฏิบัติกัน<ม>ก็มีสมวิธีสามขั้นของการทำใจให้สงบขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานขั้นที่สองเรียกว่าศีลขั้นที่สามเรียกว่าภาวนา นี่เป็นวิธีดับความทุกข์สร้างความสุขทางใจตามลำดับตามกำลังของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเริ่มต้นนี้จะมีกำลังเพียงทำทานเมื่อได้ทำทานแล้วต่อไปก็จะมีกำลังที่จะขึ้นไปสู่การรักษาศีลได้ เมื่อรักษาศีลได้ต่อไปก็จะขึ้นไปสู่ขั้นภาวนาได้้นขั้นแรกคือขั้นทาทานขั้นทำทานนี้เหมาะกับผู้ที่ใช้เงินทองดับความทุกข์ซื้อความสุขต่างๆเช่นเวลาไม่สบายใจก็ใช้เงินทองไปเที่ยวกันไปซื้ออะไรที่อยากจะซื้อกันไปดูอะไรที่อยากจะดู ไปฟังอะไรที่อยากจะฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรที่อยากจะดื่มอยากจะรับประทานแล้วก็จะทําให้เกิดความสบายใจชั่วคราวดับความทุกข์ความไม่สบายใจได้ชั่วคราวแต่พอกลับมาจากทํากิจกรรมเหล่านี้เดี๋ยวความทุกข์ความไม่สบายใจใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมา ความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองไปซื้อความสุขก็หมดไปก็จำเป็นที่จะต้องไปทำใหม่อีกเอาเงินไปใช้อีกเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์สร้างความสุขกันอีกเมื่อใช้เงินทองเมืนทองก็จะต้องล่อยหลอ่อก็จำเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทอง หาเงินหาทองก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองและก็จะต้องมีความไม่แน่นอนว่าจะหาได้มากน้อยเพียงไรถ้าหาได้ไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนอีกทุกข์อีกดังนั้นวิธีที่เราจะใช้เงินทองมาดับความทุกข์สร้างความสุขแบบที่ไม่เกิดโทษกับเราก็คือให้เอาเงินทองที่เรามีอยู่ ที่เราจะไปใช้ดับความทุกข์สร้างความสุขด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานนี้เอามาทําบุญทําทานแทนเพราะถ้าเราได้ทําบุญทําทานมันก็จะทําให้ความไม่สบายใจที่เรามีอยู่นี้บรรเทาลงไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้เราเกิดมีความสุขใจขึ้นมาในระดับหนึ่ง แล้วต่อไปมันจะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทองเพื่อไปอดับความทุกข์เพื่อไปซื้อความสุขกันเพราะเราสามารถดับความทุกข์ถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เหมือนกับเวลาที่เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขไปดับความทุกข์กัน เวลาเราไม่มีเงินทองขาดเงินทองเราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเราเอาเงินทองไปใช้กับการทำบุญทำทานเพื่อดับความทุกข์สร้างความสุขเวลาเราไม่มีเงินทองเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขและไปดับความทุกข์จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเราอยู่เฉย เราก็จะอยู่ได้ไม่มีเงินทองเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของเราเลิกใช้ความใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งถ้าเรามีเงินทองแล้วเราใช้เงินทองแบบนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนเอามาใช้ด้วยการทำบุญทาทานการทำบุญทาทานนี้จะทำกับใครก็ได้ ผู้รับนี้ไม่เป็นปัญหาให้ให้มีผู้รับที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาที่เราได้ให้ความสุขกับเขาได้ช่วยบำบัดความทุกข์ให้กับเขามันจะทำให้เราเกิดมีความสุขใจขึ้นมาทำให้ใจเราสงบลงไปในระดับหนึ่งคือสงบจากความอยากที่จะไปใช้เงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังกัน เราจะดับความอยากเหล่านี้ด้วยการไม่ไปทำตามความอยากเหล่านี้แล้วต่อไปความอยากเหล่านี้ก็จะไม่มีถ้าเราไม่มีเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็จะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีบุญมีความสงบที่เราได้ทำไว้หล่อเลี้ยงจิตใจของเรา อันนี้คือเรื่องของผู้ที่มีเงินทองที่จะต้องที่จะเอาไปใช้ในการดับความทุกข์สร้างความสุขด้วยการใช้ผ่านทางร่างกายด้วยการใช้สิ่งต่างๆมาดับมาสร้างความสุขซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับและสร้างความสุขได้อย่างแท้จริงจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อย แล้ววันใดไม่มีเงินทองก็จะเดือดร้อนหรือวันใดที่ร่างกายไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเดือดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเอาเงินทองไปทำบุญทำทานแล้วใจจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินทองใช้เพื่อดับความทุกข์เพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองดับความทุกข์สร้างความสุขเพราะเรามีบุญที่เราได้ทำไว้ อย่างเงินทองที่เราเคยมีอยู่เราจะทำให้เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองอยู่อย่างอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเสี่ยงต่อการหาเงินหาทองแบบที่ไม่ถูกต้องคือด้วยวิธีการทําบาปหรือทาผิดกฎหมายถ้าเราต้องใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากแล้วถ้าเราหาเงินมาก เราก็อยากจะได้มากๆได้ง่ายๆได้เร็วๆก็จะทำให้เราอาจจะต้องไปทำบาปกันเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้เราหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เร็วและหาเงินได้มากกว่าวิธีไม่ทำบาปนั่นเองแต่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆความกดดันที่เราจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆก็จะหมดไป จะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมากๆง่ายๆเร็วๆด้วยวิธีการทำบาปและการทำบุญนี้จะทำให้เรามีความเมตตาต่อสประสัตว์ต่อผู้คนต่างๆคนทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปเวลาจะทำอะไรจะดูว่าไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นหรือไม่ ถ, ถ, ถ้าทำแล้วเกิดความทุกข์ความเสียหายก็จะไม่ทำเมื่อได้ทำบุญทาทานแล้วจะทำให้ใจนี้มีกำลังที่จะไปรักษาศีลละเว้นการกระทำบาปได้แต่ไม่รักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายผู้ที่ทำบุญทาทานอย่างสม่าเสมเอเอพราะจะไม่มีความคิดที่อยากจะไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองมีแต่ความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มันเทาทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นก็เลยไม่คิดที่จะไปทําบาปก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ความไม่สงบความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทําบาปได้ด้วยการไม่ทําบาปด้วยการรักษาศีล น, นี่เป็นวิธีขั้นที่สองที่จะเพิ่มความสุขให้กับใจเรา ถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทานเราสามารถที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์ด้วยการรักษาศีลได้แล้เป็นความสุขที่มากกว่าดับความทุกข์ได้มากกว่าเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนี่รุนแรงกว่าความอยากที่จะไปใช้เงินไปหาความสุขต่างๆ ดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวเร่กับการทำทานขอให้เรามารักษาศีลกันให้บริสุทธิ์ละการกระทำบาปให้ได้ทั้งห้าข้อคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสรายาเมาและเสพอบายามุขต่างๆเพราะการเสพอบายามุขถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาป แต่ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราไปทำบาปได้เช่นดื่มสุราแล้วมืนเมาก็อาจจะไปทำบาปได้ง่ายกว่าเวลาที่เราไม่มืนเมาเล่นการพนันถ้าเราเงินทองหมดก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ไปลักเงินทองมาเล่นต่อเะฉะการเสพอบายามุขนี้จะทำให้เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แล้วจะทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไปเพราะเรายัางต้องใช้เงินทองเพื่อการอยู่แต่เราไม่รู้จักวิธีหาเงินทองเพราะเรามัวแต่ไปเสพอบายามุขไม่ไปทำงานทำการตามปกติพอเงินทองหมดก็เลยต้องหาโดยวิธีก็ทำบาปท่านถึงสอนให้เราอย่าเสพอบายามุขเพราะเสี่ยงต่อการไปทำบาป และเราก็ต้องมาคอยควบคุมใจของเราอย่าไปทำบาปเพราะเวลาทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายใจนั่นเองเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับผลของบาปที่เราทำไว้ว่าจะถูกไปลงโทษเมื่อไหร่จะถูกจับไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเลยใจเราจะสงบ ใจเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองของการที่จะมาะกำจัดความทุกข์สร้างความสุขให้กับใจคนที่รักษาศี่ห้าได้นี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่รักษาศี่ห้าไม่ได้คนที่รักษาศี่ห้าได้จะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่รักษาศี่ห้าไม่ได้ ไม่เชื่อเราเปรียบเทียบดูในตัวเราวันที่เรารักษาศีลได้กับวันที่เรารักษาศีลไม่ได้ไม่ได้เราจะเห็นความแตกต่างกันนี่คือขั้นที่สองของการที่เราจะมาทำใจให้สงบด้วยการไม่กระทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราอยากที่จะทำใจให้เราสงบเพิ่มมากขึ้น เราก็สามารถทําได้ด้วยการเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะระงับการกระทําต่างๆที่ยังทําให้เรามีความทุกข์ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปแต่ก็ยังเป็นความทุกข์เช่นการกระทำการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง เพราะว่าจะมีเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขทางร่างกายได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเรามาฝึกเลิกใช้วิธีหาความสุขทางร่างกายกันโดยการรักษาศีลแปดเราก็จะฝึกอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเช่นศีลถ้าเราซสีอศีลแปด สินข้อที่สามเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ布拉มัจาริยาคือเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันการร่วมหลับนอนกันนี้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นสุขตอนที่ร่างกายของเราพร้อมและคนที่เขาจะร่วมหลับนอนกับเราเขาพร้อมมันก็มีความสุขได้แต่เวลาที่ร่างกายเราไม่พร้อม หรือร่างกายเขาไม่พร้อมเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ถ้าเราไม่หาความสุขจากทางร่างกายแบบนี้เวลาเราไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่แบบไม่ต้องมีความสุขแบบนี้ได้ถ้าเราฝึกหัดหักห้ามจิตใจอย่าไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกัน เพราะจะมีวันที่เราจะไม่สามารถหาได้ถ้าเรารู้จักวิธีถ้าเราหัดหยุดมันต่อไปเวลาที่เราไม่มีใครนอนด้วยเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือข้อข้อหนึ่งของศีลแปดข้อที่สามคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วเราก็มาหัดอดข้าวเย็นกันไม่รับประทานอาหารมือเย็นกัน เพราะว่าร่างกายไม่จำเป็นจะต้องกินมื้อเย็นก็อยู่ได้เรากินเพียงแต่มื้อเที่ยงนี้ก็พอต่อการเลี้ยงดูร่างกายแล้วการกินมื้อเย็นนี้กินเพื่อความสุขมากกว่ากินเพื่อดับความทุกข์ทางใจมากกว่าแต่ถ้าเรามาฝึกเลิกกินข้าวเย็นเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ต่อไปเราไม่มีข้าวเย็นรับประทานอันนี้ เป็นวิธีหยุดใช้ร่างกายหาความสุขด้วยจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายแล้วเราก็หยุดด้วยข้อที่เจ็ดก็คือหยุดการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปหาความสุขจากมหัศลศพ บ, บันเทิงต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวไปดูของลเล่นต่างๆดูมหัศลศพ บันเทิงต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายแต่งเสื้อแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าที่สวยงามเสริมความงามทางหน้าทางผิวหนังทางผิวทางผมใช้น้ามันใช้น้ําหอมอะไรต่างๆอันนี้เป็นการสร้างความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไป แล้วต่อไปเวลาร่างกายแก่ก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากการเสริมสวยได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะทำให้ใจเราไม่ต้องทุกข์ต่อไปเวลาที่เราไม่สามารถที่จะทากิจกรรมเหล่านี้ได้และสีลข้อที่8ดก็ให้เราหัดนอนพอประมาณนอนอย่ามากเกินไปนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อน ก็พอวิธีจะนอนไม่มากก็อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะมันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะลุกเพราะมันนอนมันสบายก็จะนอนต่อก็จะทําทให้เราเสียเวลาอันประเสริฐอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการทําใจให้สงบกันถ้าเราถือศีลแปดได้เราก็จะสามารถ เข้าไปสู่การปฏิบัติขั้นที่สามได้คือขั้นภาวนาทําใจให้สงบการทําใจให้สงบของขั้นภาวนานี้ก็มีสองขั้นขั้นที่หนึ่งเป็นการทําให้สงบชั่วคราวขั้นที่สองเป็นการทําความสงบให้อย่างถาวรจะทําได้เราก็ต้องเลิกกิจกรรมทางร่างกายเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดนี่มีไว้เพื่อที่ให้เราจะได้ไม่ต้องไปทํากิจกรรมทางร่างกายกันเพื่อเราจะได้มีเวลามาทําใจให้สงบกันออถ้าเราไม่รับประทานอาหารเย็นหลังจากเที่ยงวันที่เรารับประทานแล้วเราก็จะว่างจะมีเวลาไปสร้างความสงบให้กับจิตใจได้อย่างต่อเนื่องไม่มีไม่ขาดตอน ถ้ายังรับประทานอาหารเย็นอยู่เดี๋ยวไปทำความสงบได้ไม่นานก็จะเริ่มกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นแล้วแล้วพอรับประทานอาหารเย็นแล้วมันอิ่มท้องมันก็จะเกิดความเกลียดข้านขึ้นมาเกิดความง่ว ง, ง, วงเหหงาวนอนขึ้นมาก็จะไม่อยากจะไปทำใจให้สงบอยากจะไปนอนกับแฟนถ้ามีแฟนอันนี้ ถ้าถือศีลแปก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเล่าประธานอาหารไปสักชั่วโมงก็จะหายง่วงก็จะสามารถมาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบได้ขั้นตอนก็เจริญสติด้วยการเดินจงกรมเดินไปเดินมาแล้วก็ควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินไปก็พุทโธพุทโธไปเดินไปยี่สิบเก้าสามสบเก้าแล้วก็หันกลับมาแล้วก็เดินกลับมายี่สิบเก้าสามสิบเก้าก็ใช้พุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบใช้พุทโธจะใช้นับเก้าก็ได้นับหนึ่งสองสามไป หรือจะใช้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้หรือจะใช้ยกหนอก้าวหนอวางหนอก็ได้วิธีเหล่านี้จะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีสติหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราไม่ทำด้วยวิธีเหล่านี้เดินไปเดี๋ยวใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ส่วนใหญ่ก็จะไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญ พอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะไปทําสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดต่อการเดินจงกรมจะทำให้ไม่สามารถเดินได้เดินไปไม่นานเดี๋ยวก็ขอกลับบ้านไปไปเที่ยวดีกว่าไปทําไปกินไปดื่มไปทําอะไรตามที่เคยทําดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทาใจให้สงบนี้เราต้องควบคุมความคิดไวให้ได้ อย่าปล่อยให้มันคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าคิดแล้วมันจะเกิดความอยากแล้วมันจะทำให้ไม่มีความอยากที่จะเจริญสติไม่มีความอยากที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ด้วยการเดินจงกรมเดินไปนานๆสองสามชั่วโมงเลยก็ได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เดินจงกรมไปเดินไปจนกว่าจะเมื่อยเมื่อยแล้วก็พักนั่งสมาธิสลับกันไปก็ได้ถ้าเราเดินจงกรมด้วยสติแล้วเราจะมีสติแล้วเราจะนั่งสมาธิอย่างไม่อึดอัดที่อึดอัดเพราะเราไม่มีสติเพราะจิตมันอยากจะทำนู่นทนํานี่เพราะไม่มีสติคอยควบคุมความอยากไว ถ้าเรามีสติสติจะคอยควบคุมความอยากไปทำนู่นทำนี่ได้และเวลาให้นั่งเฉยเฉยจะไม่รู้สึกอึดอัดนั่งเฉยเฉยแล้วจะรู้สึกสบายแล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ใจสงบนิ่งได้พอใจสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมามีความสุขมีความสบายมีความนิ่งเฉยใจจะไม่รู้สึก วันไว้กับอะไรแม้จะได้ยินเสียงหรือร่างกายจะมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าใจนิง่งใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาอุเบกขานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเราสงบมีความสุขจะเกิดจากการที่เรามีสติหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็จะไม่เกิด เมื่อความอยากไม่เกิดอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นมาแทนใจจะอิ่มใจจะพอจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้อันนี้จะเป็นใจนขณะที่อยู่ในสมาธิดนั้นเวลาใจสงบนิ่งแล้วเป็นอุเบกขาแล้วควรที่จะพยายามประครับประคองรักษาไว้ ให้มันนิ่งไปนานๆถ้าใจเริ่มคิดเริ่มอยากจะลุกก็ถ้ายัางควบคุมใจให้นั่งต่อไปได้ก็พยายามควบคุมไปจเจริญสติใหม่พุทโธต่อไปเรื่อดูลมหายใจใหม่เพื่อให้ใจสงบใหม่อย่าเพิ่งลุกพยายามนั่งให้นานๆนั่งให้ได้หลายรอบเพราะเราต้องการอนเบขาให้มีกำลังมากๆา ว่าเราจะต้องใช้อุเบกขาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเพื่อที่เราจะได้กำจัดเหตุที่มาทำให้เราวุ่นวายใจกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดคือตัณหากิเลสทั้งหลายนั่นเองถ้าเรามีอุเบกขาใจเราจะเย็นจะเฉยกับกิเลสตัณหาได้แล้วถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนี้มันเป็นมันไม่เที่ยง มันให้ความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวเวลามันหมดความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่าการไปทำตามกิเลสตัณหานั้นเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่มีวันสิ้นสุดนถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะฝืนใจไม่ไปทำตามถ้าเรามีอุเบกขาใจเราก็จะเย็นจะฝืนความอยากได้ฝืนความโลภได้ใจก็จะสามารถ ทำให้ใจสงบได้อย่างตลอดเวลาถ้าเราสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทำลายความสงบที่เราได้จากการเข้าสมาธิต่อไปถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะสงบตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาคือหลังจากออกจากสมาธิมาแล้ว เราต้องศึกษาปัญญาให้เรารู้ว่าปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ที่เราจะสามารถมาใช้สอนใจให้ให้เลิกทำอะไรตามความโลภความอยากได้นั่นเองเพราะสิ่งที่เราโลภเราอยากนั้นมันเป็นทุกข์ถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระไม่ว่าจะเป็นลาบยศ ส, สรเสิญ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงจากดีไปเป็นไม่ดีพอเขาเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่ไปมีอะไรเราก็จะไม่มีทุกข์ทุกคั้งที่เราอยากจะได้อะไร ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่เอามันแล้วถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะฝืนความอยากได้จะไม่ต้องทำตามความอยากได้ถ้าไม่มีอุเบกขาใจจะทุกข์ใจจะสั่นเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่รีบสร้างอุเบกขาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะทนไม่ไหวก็จะต้องไปทำตามความอยากแล้วพอไปทำตามความอยากล้วก็จะต้องทุกข์ล้าก็จะต้องติดกับการ ทำตามความอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะอันนี้คือขั้นของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วต้องหมั่นสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้แต่ความสุขไม่ได้วันใดวันหนึ่งความสุขที่ได้จากมันก็จะต้องมีวันหมดไป ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักเราก็จะได้หยุดมันหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าเรามีโอเบคาเราก็จะทำได้หยุดได้ถ้าเราไม่มีโอเบคาใจเราจะสั่นใจเราจะทุกข์อาจจะสู้มันไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็อย่าไปทำมันรีบกลับไปทำใจให้สงบตามใจให้เป็นอูเบคาแล้วก็จะสู้กับมันได้ น, นี่คือขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติ ที่จะทำให้ใจเราสงบอย่างถาท้ทวอนทำให้เราจำมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจอต่อไปและเวลาที่เราไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเหตุที่ทำให้เรายังกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่ก็เพราะว่าความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้เอง แต่พอเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้แล้วใจเรามีความสุขตลอดเวลาแล้วใจเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายกต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาบําเพ็ญมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เพรใจของพวกเรานี้ไม่ตายไม่มีวันตายแต่ใจของพวกเราตอนนี้มันไม่ได้อยู่มันมันอยู่แบบทุกข์เพราะมันไม่รู้จักวิธีอยู่แบบสุขจะรู้จักวิธีอยู่แบบสุขอยู่แบบสงบก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนําเอาสิ่งที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติ คือทาตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรากระทำคือทำทามรักษาศีลภาวนาเราก็จะสามารถทำใจของเราให้สุขตลอดเวลาได้แล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นพ ก, no การพัดพากจากกันไปไม่ได้เมื่อเราเห็นแล้วว่าการหาความสุขของเราการดับความทุกข์ของเราด้วยทางร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่สามารถที่จะดับได้กลับจะทำให้เราต้องวิตกกังวลเดือดร้อนเวลาที่เราไม่สามารถใช้สิ่งต่างๆมาดับความทุกข์ให้กับเราได้เราก็จะได้ศึกษาวิธีใหม่ที่พระธเจ้าได้ทรงค้นพบเกิดวิธีดับด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้ได้พบกับวิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวร นละวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกับ ป, ปติ อิติตังปฏิติตังตุ მ หังคิปะเมวะสามิจโตสะเพปเรนโตสรังกะปายันโทปนาอาบาโสยะธามณิโชติอาบโสยะธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขิทีขายุโกภาวะ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 ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแล้วหลังจากที่เลิกแล้วก็ขออนุญาตงดถามงดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความส่งขึ้นมาได้แล้วจะมีพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 403สคนครับ uh, YouTube ร้9คนเรียด1โอสิบสองคนผู้รับฟังบนเขา1้อยี่สิคน รวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบสี่คนครับอาจารย์อันนี้ไกลไกกับเป้าเป้าคือหกตองหกชอบใจคือคือเป้ามาตรฐานคือตองหกบางวันก็ต่ำบางวันก็สูงถ้ามีคำถามก็เอามาอ่านได้เลยเชิญอ่านคำถามได้ เดี๋ยวจะถามเน่ะส่งไมโครโฟนไปก่อนไปพูดใกล้ๆปากเนจะได้เสียงจะได้ดังอ่กก า, รราเปิดเปิดไม้ก่อนเปิดไมค่นันขึ้นไปนรมั ก, การพระอาจารย์ค่ ะ, ะโยมวันนี้มากับเพื่อนกัลยาณมิตรมาทำบุญที่นี่นะคะแล้วก็มาฟังธรรมจากพระอาจารย์อยากจะสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับ โพธที่กายธรรมสามสิบเจ็ดะคะให้ใหพาชาญช่วยขยายความให้ฟังนะคะสาธาธรรมะขนาดนี้เรารับไม่ไหวเราต้องสามสิบเจ็ดเดี๋ยวไปเปิด Google ดูดีกว่าสาธุอันนี้เราเอาแค่สั้นๆแค่ทานศีลภาวนาถ้าอย่างอื่นแล้วมันสุดวิสัยไม่จำเป็นจะต้องรู้หรอกรู้แค่ทานศีลภาวนาก็พอรู้ได้ก็ดีแต่ไม่มันก็ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่สำคัญเท่ากับรู้แล้วเอาไปปฏิบัติได้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้ก็ลองเสิร์ชใน Google ดูก็ได้มีคำถามจากทางผู้รับผู้ที่มาฟังธรรมในศาลานะคะซึ่งใกล้เคียงจากทาง Facebook ของคุณสิรินภาจึงขออนุญาตอ่านเป็นคำถามเดียวกันค่ะ หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศบุญแก่คุณพ่อขอให้บุญนี้สําเร็จแก่พ่อขอถามว่าพ่อจะได้รับบุญนี้หรือไม่และกล่าอุทิศอย่างไรถึงจะถูกต้องคะเอะเราไม่นิยมอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิเรานิยมอุทิศบุญด้วยการถวายทานทําบุญทําทานเพราะบุญที่ทําบุญทําทานนี้มันเกิดแน่นอนทําปุ๊บเราก็ได้ปั๊บเลยแต่สมาธินี้ยังไม่แน่นอนว่าได้หรือยัง ถ้าจิตไม่สงบมันก็ยังไม่ได้หรือได้ยังไม่เต็มที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปถวายทานทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศไปส่วนผู้ที่จะรับใ้รับได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่สถานภาพเขาว่าเขาเป็นอะไรหลังจากที่เขาตายไปแล้วถ้าเขาทำบุญไว้มากเขาไปเขาก็ไม่มาเป็นขอทานมาขอบุญเขาก็จะไปเป็นเทวดาไปใช้บุญ ไปเที่ยวพวกเทวดานี้เหมือนกับพวกที่มีเงินไปเที่ยวเมืองนอกพวกที่เป็นขอทานก็พวกที่ไม่มีเงินต้องไปนั่งขอทานตามตามสถานที่ต่างๆคนที่ตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทําบุญทําแต่บาปก็จะเป็นขอทานคือเป็นเปรตเป็นผู้ที่จะต้องมาขอรับส่วนบุญของผู้อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพเขาว่าเขาเป็นอะไรอยู่ในตอนนั้น แต่เราสามารถอุทิตได้เผื่อไว้ก็ได้เผื่อเราไม่เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็อุทิศไปบอกเขาอุทิตให้กับคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้และสรรพสัตว์ทั้งปวงก็ได้ถ้าเขาเพราะคนที่เราอุทิศก็ไม่ได้รอรับก็ให้ผู้อื่นที่รอรับไปคำถามข้อต่อไปจากคุณพัฒพรนค่ะอุปจารสมาธิคือสมาธิที่มีสติสัมปัญญะครบ และส่วนอัปปนาสมาธิเป็นเป็นสมาธิที่ไม่มีสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันทุกสมาธิต้องมีสติสัมปชัญญะเหมือนถึงยาสงบได้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะจิตก็จะไม่สงบอุปจารสมาธิต่างจากอัปปนาสมาธิตองที่เวลาจิตรวมแล้วนิ่งแล้วถ้านิ่งเฉยๆเป็นอุเบขาก็เป็นอัปปนาสมาธิ ถาเนี่งเฉยๆแล้วไม่เป็นอุเบกขาออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆอันถึงจะเรียกว่าอุปจารสมาธิคือไปรู้เรื่องกายทิพย์รู้เรื่องวรารจิตของผู้อื่นว่าเขากาลังคิดอะไรอยู่รู้อรึกชาติได้หรือมีอภิน ญ, ญาความสามารถพิเศษหเหาเหินเดินอากาศอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ในระดับของอุปจารสมาธิ แต่อุปัฏารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาเพราะขาดอุเบกขาเวลาไปเจอกิเลสแล้วสู้กิเลสไม่ได้ถ้าอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาเวลาเจอกิเลสนี้สู้กิเลสได้กิเลสชวนให้ไปโลภก็ฝืนได้กิเลสชวนให้ไปอยากก็ฝืนได้แต่ถ้าเป็นอุปจฏารสมาธิจะไม่มีอุเบกขา พอกิเลสมาชวนก็จะไปเลยอย่างพระเทวทัตนี้ก็ได้อุปจาระสมาธิได้อภินยาก็เลยคิดว่าตนเองเก่งก็เลยไปขอพระพุทธเจ้าอยากได้เป็นตัวผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้านี่เพราะไม่มีสมาธิพอกิเลสชวนก็ไปเลยแต่ถ้าผู้ที่มีสมาธิมีอุเบกขานี่เขาจะคิดดูก่อนว่า เราอยู่ในฐานะที่ควรจะไปขอหรือไม่ขออย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขอมันเรื่องที่เขาจะมอบให้เรามากกว่าเหตนั้นถ้าเราอยากได้เราก็อย่าไปอยากไม่ก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากได้แ่าพระเทวทัตได้ฝืนไม่ได้พอคิดว่าตนเองเก่งก็อยากจะเป็นผู้ปกครองสงพอเกิดความอยากใจก็สั่นเพราะไม่มีอุเบกขาก็เลยต้องไปขออนุญาต พอไม่ได้รับอนุญาต ก, ก็โกรธก็ดับความโกรธไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาก็เลยไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอีกอันีน้คือผู้มีอุปจารสมาธิไม่ดีตรงนี้ตรงที่ว่าไม่สามารถกำจัดหรือต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้แต่ผู้ที่มีอัปปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาเวลาเกิดกิเลสนี้สามารถต้านได้ แล้วถ้ามีปัญญาสอนว่าควรไม่ควรก็สามารถหยุดได้นะ yeah. คําำถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะเวลานั่งสมาธิจะกำหนดหรือทำอย่างไรให้จิตไม่ตเตลิดคะพระอาจารย์เพราะเวลานั่งจิตจะหลุดคิดไปหลายเรื่องแล้วกลับมาดูลมหายใจแล้วก็ไปอีกค่ะแสะดงว่าเราสติไม่มีกำลังพอที่จะให้อยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่อง เราก็ต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่เราจะมานั่งเจนเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้ควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปถ้าเราหรือว่าให้เฝ้าอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังเดินก็ให้เฝ้าการเดินกําลังพูดกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่ อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นเอหรือถ้าจะมันจะคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมันถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเวลานั่งเราก็จะสามารถมีสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะนั่งได้สงบนั้นต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มาทําแต่ตอนเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะจะไม่กําลังจะไม่พอคําถามจากผู้ฝากถามบศาลาค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์แทนคุณแม่ค่ะท่านนั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างส่องประกายและมีลูกแก้วสีเขียวสีใสเหมือนแก้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะพุทธโธต่อไปต่อไปถูกไหมเจ้าคะากราบขอพระคุณค่ะอย่าไปสนใจอะไรปรากฏให้เรารับรู้เป็นผลพลอยได้เป็นผลที่ไม่ดีสำหรับใจเพราะไม่ได้ทาให้ใจสงบงั้นเราต้องอยู่กับพุทธโธต่อไป หรือยอยู่กับลมหายใจต่อไปอย่าไปตามรู้สิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เพราะเดี๋ยวจะถูกหลอกได้เราจะไม่ได้ความสงบจะไม่ได้อุเบกขาจะไม่ได้สมาธินั่งสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิได้ความสงบได้อุเบกขาก็จะต้องอยู่กับลมไปอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวมีอะไรมาปรากฏไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงเป็นรูป ก, ก็อย่าไปสนใจ คำถามจากผู้ฝากถามท่านเดิมนะคะการถือศีลแปดในเพศคารวาสหนึ่งดูทีวีข่าวกีฬาหรื อ, อยู่หรืออยู่ร่วมกับครอบครัวที่ดูอยู่ได้หรือไม่คะถ้าถือศีลแปก็อย่าไปดูอะไรดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันมันมันเสี่ยงต่อการไปดูอะไรต่อดูข่าวปุ๊บเดี๋ยวมีบันเทิงตา ม, มาก็อาจจะสติหลุดนั่งดูต่อ พอมันดูแล้วมันติดมันจะอยู่ดีจะเดินไปปิดนี่มันยากเปิดมันง่ายแต่ปิดมันยากเนี้ยอย่าไปเสียงดีกว่าถ้าจะถือศินแปลกก็ตัดไปเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองทางข่าวหรือทางอะไรก็ตามข่าวก็ไม่ควรดูดูแล้วทําให้ใจฟุ้งซ่านเปล่ า, าไม่ได้ทําให้ใจสงบดูได้อย่างเดียวก็คือธรรมะถ้าอยากจะดูพระเทศอย่างเงี้ยเช่นตอนนี้ถ่ายทอดสด ถ้าดูอย่างนี้ได้อยู่เพราะไม่มีบันเทิงเข้ามาแทรกไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้อต่อไปคือการผิดศีลแปดนั้นได้ยินพระบางรูปบอกว่ารุนแรงกว่าศีลห้าค่ะไม่รู้จะรุนแรงขอเป็นว่ายัางไงก็มันแปดข้อมันถ้ามันผิดทั้งแปดความความจริงผิดศีลห้ากับศีลแปดนี่มันก็ไม่ต่างกันอะไรเสียงแต่ว่าศีลแปดนี้เพิ่มเพิ่มการ ลั ง, งับการกระทํากิจกรรมต่างๆถึงแม้เราทํามันก็ไม่เป็นบาป้า mm. ใจไหมเพราะว่าคนที่ทําถือศีลห้าเขาก็ยังทํากิจกรรมที่คนถือศีลแปดทำไม่ได้นะคัเพราะงั้นการการที่เราถือศีลแปดเพื่อเราจะงดกิจกรรมที่เราไม่ควรทําทําแล้วมันไม่เป็นบาปแต่มันไม่เป็นประโยชน์มันทําให้เราติดมันเป็นเหมือนติดยาเสพติดเข้าใจไหมแล้วจะทําให้เราไม่มีเวลามาทําใจให้สงบ งั้นคนที่อยากจะทำใจให้สงบนี้จำเป็นจะต้องถือศีลแปดเพื่อจะได้หยุดกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบได้ยั้งการการขาดศีลแปดนี้ไม่ไม่เสียหายเหมือนกับการขาดศีลห้าขาดศีลห้านี้ส่งไปอบายได้นะแต่ขาดศีลแปดศีลศีลต่างๆข้อหไปนี้ไม่ได้ส่งไปอบาย เพียงแต่ยังทำให้ติดอยู่ในกามะพบอยู่ยังติดกับการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสติดกามอยู่เท่านั้นเองการปฏบิบัติบางครั้งพุทโธหายไปจะพิจารณาที่เวทนาหรือว่าจับอารมณ์ที่ว่างคะไม่หรอกถ้าถ้าพุทโธหายไปเพราะจิตสงบก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหายไปเพราะขี้เกียจพุทโธก็ต้องพุทโธต่อถ้ามิเงเดียวจิตยังไม่รวม ถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่นิ่งยังไม่ตกหลุมตกบก่ก็พุทโธต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปแล้วนิ่งสงบสบายไม่คิดอะไรตอนนั้นก็หยุดพุทโธได้แล้วก็ใช้สติคอยประครับประครองอย่าให้คิดอะไรถ้าคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันต่อไปคำถามจากทันไลน์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเราสามารถหยุดอารมณ์ทางเพศหรือกามราคได้อย่างไรครับ หลังจากที่ไปเห็นภาพลามกอนาจารหรือจากภาพยนตร์และจะต้องหยุดถาวรควรใช้ปัญญาและพิจารณาอะไรครับก็ดูภาพที่ทน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกายดูสร้างศพของร่างกายดอูอวัยวะต่างๆที่เขาผ่าออกมาให้ดูหรือดอูกายวิภาคของนักศึกษาแพทย์ เขาจะให้ดูว่าภายใต้ภายใต้ผิวหนังของร่างกายมีอะไรบ้างให้นึกถึงโครงกระดูกให้นึกถึงอวัยวะต่างๆเช่นปอดหัวใจตับไตลำไส้สมองอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นส่วนนี้ก็จะดับการมารมได้ดังนั้นเราต้องฝึกดูสิ่งเหล่านี้บ้างอย่าไปดูแต่สิ่งที่ทำให้เกิดการมารมพราะเวลาเกิดการมารมแล้วมันดับยาก ถ้าเราไม่ไม่ศึกษาไม่เตรียมข้อมูลไว้ก่อนพอถึงเวลาเกิดการมาลมแล้วมันนึกไม่ออกนึกถึงอสุภาพไม่ได้เราต้องพยายามเอาเอาสุภาพมาเข้ามาอยู่ในจิตสำนึกของเราให้ได้พอเกิดการมาลลมเราก็จะได้เอาภาพของอสุภาพมาดับได้แต่ถ้าเราไม่มีอยู่ในจิตสำนึกเรามันก็ดับไม่ได้ คำถามข้อต่อไปจาก youtube คุณสถาพรค่ะกรับนมัสการครับในธรรมชาติมีธาตุรู้และธาตุไม่รู้ธรรมชาติสองอย่างนี้มารวมกันเกิดเป็นสัพพชีวิตทั้งหลายทั้งสังสารวัตรที่แตกต่างกันไปต่างๆนานาอย่างไรครับ อ, อ่อธาตุรู้มีธาตุไม่รู้ไม่มีธาตุรู้ธาตุไม่รู้มันไม่มีหรอกธาตุไม่รู้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟ อากาศธาตุนี่มันมันไม่รู้แค่ร่างกายเรานี้มีทั้งธาตุที่ไม่รู้คือธาตุดินธาตุ น, น้ํำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุแล้วก็มีธาตุรู้คือใจมารวมกันจึงทำให้เกิดมีสรัรพสารขึ้นมามีมนุษย์ขึ้นมาคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราบ ร, บริกรรมพุทโธขณะนั่งสมาธิและจิตเบื่อคําบริกรรม เป็นเพราะสติเราอย่างอ่อนหรือเปล่าคะเราควรทำอย่างไรดีคะถ้าเกิดเบื่อขึ้นมาอีกคะ่ะกลาบขอบพระคุณคะ่ะถ้าเราดูลมแทนได้ก็ดูลมหายใจแทนไปแทนพุโทโธพุโทโธแล้วมันเบื่อหรือมันอยากจะหยุดพุดโทโธก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้ดูลที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกอย่าตามลมเข้าตามลมออกอย่าไปบังคับลมให้สั้นให้ยาวให้รู้เฉย ลมสั้นก็รู้ว่าสัน้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกให้รู้ตรงที่จุดที่ลมเข้ามาสัมผัสที่ปลายจมูกทานพุทธโธได้ดูลมได้คำถามข้อต่อไปจาก Facebook คุณพีชภูจังค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะความอิจฉาในใจเราจะแก้ได้อย่างไรคะก็ต้องเจริญมุติตา คือความยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลาเห็นใครขเขาสุขเขาเจริญก็สาธุชื่นชมยินดีอย่าไปอยากให้เราเป็นเหมือนเขาให้เราคิดว่าเรายังไม่ถึงเวลาเปียบเหมือนกับเป็นดอกไม้ก็แล้วกันดอกไม้ของเขาบานแล้วของเรายังตูมอยู่เราก็รอเวลาเราพยายามลดน้ำอะไรไปต่อไปดอกไม้ของเราก็จะบานขึ้นมาเอง ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปอิจฉาเขาให้คิดว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วที่เขาจะได้ได้ความสุขความจเจริญแต่ยังไม่ถึงเวลาของเราเราก็ต้องใจเย็นๆรอไปก่อนเขามีความเขาเข า, เขามีความสุขความจเจริญเราก็แสดงความเย็นดีให้กับเขาเขากับเราจะได้เป็นเพื่อนกันถ้าเราไปอิจฉาลิษยาก็อาจจะกลายเป็นศัตรูกันขึ้นมา คำถามข้อต่อไปจากคุณจงศินีค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินอาจารย์บางท่านเล่าว่าเวลาท่านเทศจะมีเทวดามาฟังทำด้วยแต่เรามองไม่เห็นหนูเลยอยากทราบว่าหนูเปิดวิดีโอฟังเทศคนเดียวในบ้านจะมีเทวดามาฟังด้วยไหมคะกราบขออภัยถ้าคำถามไร้สาระค่ะถ้าไม่รู้ก็อย่าไปสนใจถ้ารู้ก็รู้ไป เรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญจะมีใครมาฟังกับเราไม่ฟังกับเราขอให้เราฟังกับล้วกันถ้าเราไม่รู้ว่ามีเทวดามาฟังด้วยก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรไม่เกี่ยวกับการฟังธรรมของเราค่ะคำถามจากคุณมูค่ะการโกรวดน้ำนี้มีความสำคัญและจำเป็นไหมครับในการทำบุญและทำทานคือเวลาเราทำบุญเรามีบุญบุญนี่เราอุทิศให้กับผู้ร่วงับไปแล้วได้ การอุทิศนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องการอุทิศก็คือบุญหรือน้าใจที่มีที่มีความสุขนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้ววิธีอุทิศก็ให้ระลึกภายในใจว่าขอข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ได้ทําในวันนี้ให้แก่ชื่อนั้นชื่อนี้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แล้ว ไม่ต้องมีน้ำน้ำนี้ไว้เป็นตัวอย่างให้คนที่ไม่เข้าใจว่าบุญเป็นยังไงก็ให้คิดว่าน้ำเป็นเหมือนน้ำที่เราเทเวลาเราทิศบุญก็เหมือนเราเทน้ำน้ำนี่ก็จะไปหาผู้ที่รับน้ำต่อไปเท่านั้นเองเป็ น, เ ป, นเป็นแต่เป็นภาพให้ให้คนที่ไม่เห็นกระแสะบุญว่าเป็นยังไงก็ให้ใช้กระแสะน้ำแทนคำถามข้อต่อไปจะคุณเอเพกค่ะ กลับนมัสการครับพระอาจารย์บงางครั้งลักษณะของใจมักจะไหลลงไปทางต่ําไปทางอากุศลเหมือนดังน้ําทําอย่างไรถึงจะเอาชนะใจเราไม่ให้ไปทางทางต่ําได้ตลอดไปครับก็ต้องใช้สติเดึงกลับมาเวลาใจจะไหลไปทางต่ําก็ใช้พุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความคิดฝ่ายต่ํามันก็จะหยุดนะครับ แล้วพอมันทุกกลังมันจะคิดไปฝ่ายต่แล้วก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปคําถามจากคุณบางๆค่ะกรับเรียนถามเจ้าค่ะเห็นคนสร้างพระประธานไม่ให้คนอื่นคนอื่นร่วมบุญด้วยทําคนเดียวและได้บุญเยอะจริงหรือเปล่าคะก็ไม่หรอกก็ทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอ่ะทำร้อยก็ได้น้อยทํำพันก็ได้พันคนอื่นร่วมก็ทําให้เขาได้ทําน้อยมันเขาเลยไม่อยากให้มาร่วม เช่นเขาทำพันหนึ่งแล้วคนมาขอร่วมห้าร้อยเขาก็ได้ทําแค่ห้าร้อยเขาก็เลยไม่อยากให้คนอื่นร่วมก็เท่านั้นเองเราอยากจะทําก็เราก็ไม่ต้องไปร่วมกับเขาก็ได้ทําของเราเองก็ได้ไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปร่วมกันเลยคําถามข้อต่อไปจากคุณอจุงค่ะเคยมีวินาทีที่เฉกความตายขณะนั้น คิดในใจว่าเราต้องตายแน่ๆเลยกําหนดภาวนาในใจให้เข้าถึงไตรสนารนาคมพุทธังธรรมังสังคงังคาฉามิแล้วนึกถึงผมคนเล็กฟันหนังพยายามให้จิตไม่ส่งออกไปนึกถึงสิ่งอื่นอยากถามว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายแน่ๆเราต้องทําอย่างไรคะขณะที่เรายังพอมีสติสัพพัญญะอยู่ในขณะนั้นก็ทําให้สงบโดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยการนนเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นพุทธโทธธมโมสังโฆไปหรือสวดอิติปิโสไปหรือพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายก็ปล่อยให้มันตายไปยอมให้มันตายไปใจก็จะสงบได้คำถามจากคุณธนวัฒน์ค่ะการสวดมนต์คาแปลไทยตรงๆไปเลยกับสวดมนต์บาลีแปลไทยด้วยมีอนิสงส์เท่ากันไหมครับ คือถ้าเราสวดคาแปลก็ได้สวดคําไม่แปลก็ได้อรนนิสง์ถ้าเกิดจากการสวดแบบไม่แปลก็จะได้เพียงครึ่งเดียวคือได้ความสงบได้สติใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสวดคาแปลไปด้วยเราก็จะได้ปัญญาพร้อมอี ก, อ, กอีกส่วนหนึ่งได้ความรู้ความหมายว่าคําที่เราสวด น, นี้มีความหมายว่ายอย่างไร ก็บทสวดมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้อ่านคําสอนพุทธเจ้าควบคู่กับการไปทําทําสมาธิพร้อมๆกันไปก็ได้สองอย่างได้สมาธิได้ปัญญาด้วยแต่ถ้าสวดโดยไม่เข้าใจความหมายก็ได้แค่สมาธิไม่ได้ปัญญาคําถามจาก youtube คุณทุรีค่ะ ให้ลูกชายสิบเอ็ดขวบอยู่ปห้าบวชเนภาคฤดูร้อนแล้วลูกขอบวชตลอดไม่สึกโดยไม่ขอกลับไปเรียนต่อปหกจะทำอย่างไรดีครับก็ดีเลยพระพุทธเจ้าก็ให้ลูกชายบวชมันแต่อายุหขวบก็บวชเนรแล้วก็บรรลุเป็นพระแลนั่นต่อไปล้วเขาบวชได้ก็กปล่อยเขาบวชไปช่วงนี้คำถามหมดบวชได้นะเหม ถ้าคนเขาทำความดีก็ส่งเสริมไปที่นี้เกาเรียกว่าอนุโมทนาบุญเข้าใจไหมคว่าอนุโมทนาบุญคือถ้าเห็นใครเขาจะทำความดีเราก็สาธุไปสนับสนุนไปไม่ได้หมายความว่าเวลาเราทำบุญกลับไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าได้ทำบุญแล้วขอให้เขาสาธุเราอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีสาธุไม่ใช่วิธีอนุโมทนาบุญ อนุโมทนาบุญจริงๆก็คือเวลาเราเห็นคนเขาจะไปทําบุญเราก็สาธุไปอย่าไปขัดขวางอย่าไปห้ามเขาลูกอยากจะบวชเนนก็สาธุไปสามีอยากจะไปบวชพระก็สาธุไปอย่าไปขัดขวางเขาอย่างนี้นคือความหมายของการอนุโมทนาบุญเพื่อยับยั้งจิตใจของเราที่ไปไปขวางการทำความดีของผู้อื่นอย่าไปขวางคนอื่นก็จะทาความดี ลควรจะอนุโมทนาเพราะเขาจะได้ความสุขความจเจริญเราต้องการเรารักเขาเราต้องการให้เขาสุขให้จเจริญไม่ใช่เหรอในเมื่อเขาจะได้ความสุขความจเจริญเราจะไปไปลั่งเขาไว้ทําไมนี่คือความหมายของการอนุโมทนาบุญที่แท้จริงพวกเราชอบคิดว่าโอ้ไปทําบุญแล้วต้องกลับมาเล่าให้คนนี้คนนั้นฟังแล้วต้องสาธุไปให้เขาสาธุ ก, กับเรา มไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันอย่างนั้นคำถามจากคุณปลูกค่ะกลาบนมัสการค่ะพอดีมีพี่ชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแต่ก่อนที่พี่ชายจะเสียได้ไปทําบุญและไหว้พระช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเจออุบัติเหตุเสียชีวิตอยากทราบว่าบุญที่ทํากับพระที่รเราไหว้เคารพทําไมไม่ช่วยเหลือบ้างเลยหรือคะพี่ชายตั้งใจทําบุญบ้านในวันรุ่งขึ้นที่จะกลับมาจากทํางานด้วยค่ะ โอ้ยถ้าทาบุญแล้วไม่ตายได้ก็ดีเลจะได้ทําทุกวันเลยการทําบุญไม่ได้ไปห้ามความตายความแก่ความเจ็บคนทําชั่วก็แก่เจ็บตายเหมือนกับคนทําบุญมันไมเนเน่เกี่ยวกันเรื่องของร่างกายการทําบุญนี่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจคนทําบุญแล้วตายไปได้ไปสวรรค์คนทําบาปตายแล้วได้ไปอบายมันต่างกันตรงนั้นช่วยตรงนั้นช่วยจิตใจไม่ได้ช่วยร่างกาย คำถามข้อจะไปจากคุณอาค่ะกลับนมัสการครับพระอาจารย์ขอเรียนถามครับกระผมภาวนาพุทโธแต่ตื่นจนหลับตลอดมานานแล้วครับจนจิตเฉยว่างอยู่ตลอดเวลามีคนดา่าคนว่าจิตก็เฉยว่างอยู่เหมือนเดิมก็เลยลองคิดคาที่เขาด่า ว, ว่าจะโกรธไหมคิดแล้วก็ดีดออกดีดออกจิตก็จะว่างเฉยอยู่เหมือนเดิมกระผมต้องปฏิบัติต่ออย่างไรครับ ก็ลองหาข้อสอบแรงๆดูนะ่ายังโกรธหรือเปล่าใครมาเอาแฟนออกไปนี่ดูยังโกรธหรือเปล่าใครมาโกงเราเรายังโกรธเขาหรือเปล่าก็ต้องทดสอบใจไปเรื่อยเราอาจจะเจอข้อสอบง่ายๆมันก็เลยยังไม่โกรธแต่ถ้าเกิดไปเจอข้อสอบแรงๆเข้าดูซิว่ายังจะโกรธอยู่หรือเปล่าคำถามจากคุณมณีค่ะกราบเรียนถามค่ะ คนที่ฆ่าสุนัขตายเพราะโกลัวโรคพิษสุนัขบ้าทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่รู้เลยว่าสุนัขนั้นติดเชื้อหรือเปล่าต้องป้องและบอกป้องกันไว้ก่อนแล้วจะรับผลกรรมอย่างไรคะก็เป็นอสุรกายพวกที่ฆ่าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำความทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดชะชานทาบาปด้วยความมาคาดพยาบาทก็เป็นนรก คำถามจากทางไลน์ค่ะพอดีตอนนี้ทําอาชีพป้อนนกแก้วมาคอร์เพื่อขายและมีการทําให้ไข่นกแก้วเพื่อขายเป็นอาชีพนี้จะบาหรือเปล่าคะเป็นอาชีพที่ต้องห้ามหรือเปล่าคะถ้าทาให้เขาตายก็บาป ก, การท่านห้ามไม่ให้เราทําอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์ ค้ามนุษย์ค้าอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะมันไปทำความเสียหายให้กับผู้ที่ถูกค้าขายทุกคนอยากจะมีเสรีภาพไม่อยากจะเป็นทาสไม่อยากจะเป็นสินค้าให้คนมาซื้อมาขายเรางั้นไม่ควรที่จะทาอาชีพเหล่านี้คำถามจากคุณฟูทาง YouTube นะคะการที่เราทำบุญตักบาตรและมีการใส่เงินให้พระไปด้วยอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะ มันสำหรับโยมไม่เสียหายแต่พระนี่รับเงินรับเงินกลับมือไม่ได้ถ้าอยากจะให้เงินพระนี่ต้องฝากให้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้เวลาพระต้องการซื้อของต้องการได้อะไรก็ให้เอาเงินที่ฝากนี้ไปซื้อให้พระุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระพกเงินพกทองแล้วก็ซื้อขายด้วยเงินทองให้ให้ลูกศิษย์ทำหน้าที่แทน เช่นพระอยากจะได้อะไรก็บอกลูกศิษย์ว่าขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้นะลูกศิษย์ก็จะเอาเงินที่ญาติโยมฝากไว้นี่ไปซื้อสิ่งที่พระขาดเอามาใช้ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระครอบครองเงินไว้ไม่ให้พกพาไปกับตัวไม่ให้รับกับมือถ้าจะให้ก็ต้องฝากลูกศิษย์ไว้วม ห, มหมดแล้วแต่ญาติโยมไม่บาปเลย ญาติโยมได้บุญเพียงแต่ว่าทำไม่ถูกหลักพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกาหนดไว้นั้นถ้าอยากจะถวายเงินถอยท อ, ง, ท อ, ง, ทองก็ต้องถามว่ามีผู้รับหรือเปล่ามีลูกศิษย์หรือเปล่าเราเลยถามได้เลยเ อ, เอาไมโครโฟนพูดใกล้ๆปากงงพูดดังๆสงสัยว่า คือแมวมันยังไม่ได้ท้องค่ะแต่ว่าเราเอาไปทำหมันแบบเฉพาะแมวตัวยหญ่เราจะมีบาปไหมคะอ๋อไม่บาปแล้วไม่ได้ไปฆ่าเข้ใจการทำหมันนี่ไม่บาปเพราไม่ได้ไปฆ่าค่ะคำถามจากคุณอภัสราค่ะ ถ้าสามีนอกใจทำร้ายร่างกายของภรรยาทำผิดศีลข้อสข้อสข้ออื่นๆมีผู้หญิงนอกบ้านถ้าสามีคิดจะบวชภรรยาควรจะทำอย่างไรคะก็ดี๋ยวตาทางปล่อยวัดไปเลยอยู่กับเขาเราทุกู้อยู่ไปทําไมเราอยากจะไปบวชก็เ น, นี่ยเลือกให้อนุโมทนาบุญเลยได้ประโยชน์สองเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์เขาได้ไปบวชได้ปฏิบัติเราจะได้พ้นทุกบทเวรหมดกรรมกับเขา มีผู้หญิงบางคนเป็นชู้สาวกับสามีของคนอื่นทำผิดศีลข้อสามกับข้อสี่อาจมีข้ออื่นๆด้วยแต่นุ่งขาวห่วมขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมก่อนเข้าวัดก็ผิดศีลกำลังปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นชู้สาวกับสามีของคนอื่นอยู่ปฏิบัติธรรมตามตารางเสร็จออกจากวัดก็ผิดศีลอีกผู้หญิงแบบนี้บวชชีพราหมณ์หรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้บุญแต่บาปหนาทำไปเพื่ออะไรล้างล้างราคีหรือคะ <น>ก็เขายัางควบคุมอารมณ์ก็ไม่ได้สามวันดีสี่วันไขอารมณ์ดีก็บวชอารมณ์ไม่ดีก็ไปทำบาปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้สติมีกำลังไม่พอเวลาเกิดอารมณ์ที่จะทำบาปก็ยับยั้งไม่ได้ก็ต้องฝึกสติไปมากให้มากขึ้นไปต่อไปก็อาจจะยับยั้งได้คำถามข้อต่อไปค่ะ กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูรบกวนเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหนูมีลูกน้องต้องให้เด็กทํางานแต่มีรังต่อหัวเสือขวางในส่วนของงานคือต้องปีนเสาไฟฟ้าและต้องเผารังต่อไม่งั้นจะทําอันตรายต่อลูกน้องถ้าหนูสั่งให้ทําหรือไม่สั่งแต่ทําเป็นไม่รู้ทั้งที่หนูรู้หนูจะบาปไหมคะถ้าสั่งนีก็บาปด้วยแต่ถ้าไม่สั่งเขา เขาทําไปโดยที่เราไม่ได้สั่งเราก็ไม่บาปเราก็ไม่เกี่ยวคําถามจากผู้ฝากถามบนศาลาค่ะถ้าเราแต่งงานแล้วไม่มีบุตรเกิดจากกรรมในอดีตหรือเปล่าเจ้าคะหรือเป็นความโชคดีที่ไม่มีมก็มันมีเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายถ้าร่างกายมันไม่พร้อมมันบกพร้องมันก็มีบุตรไม่ได้จะถามว่าการมีบุตรดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่ว่ามองทางธรรมแล้วมองทางโลกทางโลกเ็า่าดีมีบุตรจะได้มีเพื่อนมีใครดูแลเราตอนที่เราแก่เท่าแต่ถ้ามองทางธรรมเราก็ว่ามันไม่ดีเพราะมันเป็นความเป็นความผูกพันมันเป็นภาระมันเป็นความทุกข์ที่จะร้องคอยห่วงกันดูแลกันต้องเลี้ยงดูกันลูกคนหนึ่งดูดเงินเราไปทักเท่าไหร่กว่าเลี้ยงมันจะโตเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเมสมัยนี้ ถ้าไม่มีรูปกงาเงินแสน ง, งานล้านนี่ไปทำบุญไปทำอะไรอย่างอื่นได้คำถามจากคุณพีเอ็มค่ะเป็นพยาบาลค่ะคนไข้เซ็นใบทำแท้งเนื่องจากเด็กในท้องไม่สบประกอบอายุคันหกเดือนแล้วตัวเองต้องทำหน้าที่สอดยาแท้งแบบนี้จะบาปไหมคะสงสารเด็กในท้องมากทำเองก็ดีเขาสั่งให้ทำก็ดีบาปด้วยกันทั้งคู่คนสั่งก็บาปคนทาก็บาปเพราะทให้เขาตาย คำถามจากคุณพาสินค่ะกรณีที่พระเดินทางรูปเดียวหากต้องการถวายปัจจัยสำหรับการเดินทางควรทำอย่างไรครับก็ทำเป็นเช็คไปพระรับเช็คได้เช็คไว้ถือว่าเป็นเงินทองคำถามจากคุณชนิกาค่ะทำไมถึงมีคนจองเป็นประธานกระถินกันเป็นบุญใหญ่กว่าบุญอื่นหรือเจ้าคะ่ะความเข้าใจผิดไงเพราะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าการถวายพ้ากถินนี้มี ประโยชน์มากเพราะในช่วงนั้นขาดผ้าเนี่ยมีแต่คนใส่บาตรแต่ไม่มีใครถวายผ้าผ้าเลยไม่มีผ้าห่มเพียงพอพระพุทธเจ้าเลยบอกถาวายผ้าจะได้ประโยชน์มากแต่ไม่ได้หมายคำว่าบุญมากบุญที่ให้ใส่บาตรกับบุญที่ถวายผ้านี่เท่ากันถ้าปริมาณเงินเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์มันต่างกันเพราะว่าใส่แต่ข้าวข้าวมีมากเกินไป เหลือก็ต้องให้หมากินอย่างนี้แต่ไม่มีใครซื้อผ้าให้พผ้าห่มผ้าผ้าก็ขาดผ้าเวลาฝนตกเปียกก็ยังต้องใส่ผ้าเปรียกๆอยู่ดังนั้นเจ้าเจ้าถึงบอกว่ามีประโยชน์มากไม่ไในมาเขาก็ได้บุญมากเน้นการเวลาเราทําอะไรเราต้องดูประโยชน์ของผู้รับด้วยไม่ใช่อยู่แต่ความพอใจของเราเราชอบใส่บาตรก็จะใส่บาตรอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูว่าพระขาดแคลนอย่างอื่นหรือเปล่า คำถามจากคุณบุษบาค่ะสุดท้ายนะคำถามหมดเวลาแล้วนอนหลับอยู่เหมือนมีคนมาบอกว่าให้ไปถือศีลหนึ่งปีหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็บอกให้เราไปถือศีลก็ไปในหมายความไหมลายเป็นไทยชัดๆอยู่แล้วถือว่านิมิต ด, ดีไงนี่ที่มีคนมาบอกให้เราไปถือศีลก็ดีเพราะการทําบุญนี่มันดีการรักษาศีลมันดีไม่เสียหายน ถ้าคนเขาจะบอกให้ไปเที่ยวนี่คนอย่าอย่าไปดีกว่าไปแล้วไม่ดีเพราะมันติดมันเป็นเหมือนยาเสพติดเอาแล้วนะวันนี้ขอคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ